ความสงบนิ่งสว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความลูลภูมิมปัญญาที่เกิดขึ้นมาเมื่อมันรู้งซึ้งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่ง จิตเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระโสดาบันครั้งที่สองจิดเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกทาคามีครั้งที่สามจิดเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่จิตเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอรหันต์เช่นอย่างท่านอญาโกลทัญญะฟังพระธรรมจากกัปวัตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะโลเห็นอะไรมากมายกับการใดก็าตามมันก็ารวมลงไปสู่ความว่ายัางกินจิตสมุทัยญาธรรมมังสะพันตั้งนิโรธธรรมติ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 พระพุเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากพุ่งอุทปาทิจากสุขของท่านสว่างโป่งขึ้นมาปัญญาอุทปาทิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโปร่งขึ้นมาวิชาอุทปาทิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากรุด เมื่อวิชาความรู้แจ้งเข็จรจงปลากฏดขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโปุตปาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างไสวไม่มีที่สึกสุสดสว่างไปทั่วโลกที่นี้พวกเทวดาพมมมเทวดาอากาสัตตะเทวดาจงกระทั้งพมมโลก ก็ส่งเสียงอึง่งทะเงงบอกข่าวก็ต่อไปว่าพระอ ร, ห, อรหันตอรหันต์ผสมมสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังเกิดก้องไปจนกวทัง่งท่านอากนิษฐาสมที่เราสวดต่อทอ้ายรำมาจากกัปปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วก็ได้บรรลุปโสดาบันมีความเพื่อนสมยินดีแล้วก็บอกต่อต่ อ, ต, อต่อกันไปเป็นท่านๆจนกระทั่งถึงท่านอานิก อ, อาการณิษฐาผมทําไมเจิงเธอเท ว, วดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านัญญาคลทัญญะนี่ยในรูธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสวางสวยัยแผ่รัศมีครอบกลมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเท ว, วดาเท ว, วดามีความแต่ตื่นโกลาหลก็อบอกข่าวต่อต่ อ, ต อ, ตอกันไป อันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกลทันดะเป็นตัวอย่างเอาละตอนนี้ไปเป็นอันว่าจบเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนจกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแต่ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะเ <c oughs> ึ่งรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามาก ไม่ทราบว่าจะตอบไสวหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> สำหรับปัญหาของของท่าน อ, อันดับแรกมีคำถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ชานขณะที่อยู่ในองค์ชานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋ว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 ถ้าถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใด <c oughs> การกำหนดโล่เพื่อจะให้กำหนดรล้ลักษณะของจิตเดินฌานในฌานในขั้นต้นนี่เรียกว่าโูปฌานมีอยู่สี่ขัน้น การทำสมาธิบรรโุชาญขั้นที่หนึ่งประกอบเกิอยองค์ห้าเคจิตยังมีวิตกมีวิจาร์ปีติสุขเอกขาตาอยู่กลอ่อมจิตอยู่ในชาญขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้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 สำหรับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้ขอตอบรวมกันเลย <c oughs> สำหรับฌานขั้นที่หนึ่งได้ตอบไปแล้วที่นี้ฌานขั้นที่สอง้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างสวัย มีความรู้สึกมีปีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคัตตาอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกคัตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สาม อาตุ ข, ขายไปยังเหลืออยู่แต่เอกขตากับอุเบก ข, า, ข, า, ขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่งถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่ ประกอบด้วยองสองมีความเป็นหนึ่งคือเอกับคตาแล้วก็มีความบางเฉยคูคืออุเบกขาเป็นลักษณะผู้ที่ได้ฌานข้อที่สามผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ได้ฌานสี่แล้วจะพ้นอบายยภูมิไม่ใช่ใช่หรือไม่ถ้าได้ฌานสี่แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายยภูมิชั่วขนาดหนึ่ง ตายแล้วไปเกิดเป็นรู ป, ปลมเมื่อกำลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จุติจากลมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นชั่วขณะที่อยู่ในฌานและโภมจิตอยู่ในฌาน <c oughs> คือว่าการอยู่ในฌานนี่สมาธิในฌานนี่มันจเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่าย ดังเช่นโรกติดของท่านประมหากับสปะได้สําเร็จฌานสมาบัติแล้วไปไในเหาะไปเหาะไปไอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่งสา ม, มนเณรเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฐานก็พ อ, พอได้ยินบางเอิญได้ยินเสียง ไอ้สตรีร้องเปลงเจตเกิดมีความยิน ด, ดีขึ้นมาพักหนึ่งเข้าชานไม่ทันชานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่ปุกสี่คงไม่หักเพราะกำลังชานนั้นช่วยพยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าชานชานเนี่ย <c oughs> จะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้น เมื่อออกมาราอยู่ได้ภาวะธรรมดาอย่างนี้ทานไม่มีเพราฉะนั่นการบรรลุทานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้สัจจะรู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญถ้าหากว่าผู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชจำลานเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามประเด็นนุสิตประมาหากสปะออกไปในอากาศ เกยถอนจากฐานเพียงขณะเดียวตอนนั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฐานเสื่อมก็เลยตกกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสีแล้วยังไม่พ้นอบายยะภูมิพ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเอง <c oughs> อข้อสี่ขณะที่อยู่ในองค์ฌานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นธนันทสมาธิก็ดี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 ขอเรียนถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นอโดยธรรมชาติของจิต ท, ที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌาน <c oughs> สมาธิตั้งแต่ระดับฌาน ข, นขั้นที่สามขั้นที่สี่ปฏิญาฌานจะสุทธาฌานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติปราศจากการประครับประคองจิต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 เจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไร้สมถควาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไปความทำไมจึงเป็นเช่นนั้น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 ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดโฟมความรู้ขึ้นมาแต่โฟมความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่กล่วว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติปัญญัตในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ ตัวอย่างที่ในท้ายธรรมจักรพระวัตรลสูตรที่ได้อธิบายสอนท้ายธรรมเทศนากานันนี้ที่รันยากลทันยญาเห็นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการโลธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดโลเห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่ตักว่ารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจริงจะเป็นของจริง เพราะฉะนั้นอัปนาสมาธิหรือสมาธาอย่างละเอียดเนี่ยสมาธาิอปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตตนิ่งว่างอยู่เฉยเฉยไม่เกิดความรู้แต่อัปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจารณาสภาวะธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะ แต่ถ้าโฟมเจตผ่านแล้วหายสงสัย <c oughs> ซึ่งบางทีในตำราตําร า, าอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นทีี่นพิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองอ่าในเมื่อพูดถึงการนี้แล้ว แม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภกรรมทานคือมีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสกโเป็นอสุภเล่าเปื่อยูุพังเป็นธาตุสี่นี่น้ำลมไฟการน้อมเลิกพิจารณาล้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภนั้นเป็นแต่เพียงระดับขั้นใช้ความคิด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 ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียจยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลปลากรขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืด น, น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นๆเชิงล้วนแต่มีลักษณะแสดงให้ให้มีความรู้สึกกำลังเกียจแต่สภ า, าว่าจิตที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความกลังเกียจ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 ก็ไม่ดีเหลือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ให้มันได้พอเท็จจริงสะกก่อนอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ท่าน <c oughs> สนใจในการปฏิบัติในส่วนดึกปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินฌานสี่ เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเจรินฌานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามยังจะขอถือโอกาสนี้อตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมในมจเจรินฌานในระยะแรกนั้นเราสามารถกำหนดวิสกทวิจารณ์ปีศสุขกขะคาตา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 มันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิต่านองค์ทานบ่อยๆเข้าความชำนิชำานาญก็เกิดขึ้นเลืความติดสุขในขั้นทานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำานาญของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้น เราะฉะนั้นในการเข้าฌานในครั้ ง, งต่อมาจึงทําให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากแล้วจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าปีติสุกเอกขะตาเป็นอย่างไรเพราะกัณฑ์โลภทับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึถึงคําบริกรรมภาวนาสายตา ย, ยังไม่ได้เพ่งนิมิตเจิตลมวกเขาวิ่งพุ่นเข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่ โดยที่กาหนดวิตกวิจาร์ปีสิสุเกกขาตาไม่ทันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อห้าทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรูปแป้แปลกๆเกิดขึ้นเึื่องคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆ พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกหัดสมาธิติดต่อการทำสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบหรือความรู้แจ้งเกิดจริงผู้ปฏิบัติการรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดแต่ถึงกระนั้นการกระทำนั้นก็สะสมกำลังไว้สีละเล็กทีละน้อย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 ตอบปัญหาของท่านที่สอง <c oughs> ไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่หกวิตารโภชนาคือห้ามทานอาหารเก <c oughs> ินเที่ยงนูนทำงานพักเที่ยง กว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงขึ้นถ้าหนูถือศีลแปดนูอยากจะกล่าบว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าอการกําหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลาลุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยงตะวันตน้อยไปเพียงสององคุรีถือว่าเป็นวิกาลโพเป็นเวลาใหม่อันนี้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 แล้วก็กลับจะสบายสิการถือสีมเกินกว่าห้าเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบิเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลชาบ้านธรรมดาที่แข้งอยู่ในสีห้าเขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้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 พระองค์นั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้งสองหมื่นปีไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดๆไม่รู้ธรรมเห็นครับแต่เป็นฆรวาดแล้วจะถางป่าขุดดินแล้วก็ไปภาวนาอย่างสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ราดสูรศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดไปเด็ดไปไม้ไปเดียวภาวนาไม่รู้ธรรมเห็นครับเราจะนั้นทานที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่